และเมื่อมีความรู้ความคิดก็จะต้องมีว่ารู้ซึ่งอะไรคิดเ ร, เรื่องอะไรก็เรื่องที่คิดเรื่องที่รู้นั่นแหละคือรูปเพราะฉะนั้นนา ม, มารูปนี้เองจึงบังเกิดขึ้น อยู่ในจิตนี่แหละอยู่ในใจนี่แหละทุกข์ขไปและทุกข์เฉพาะเรื่องทุกข์เฉพาะเรื่องไปและเมื่อคิดรู้เรื่องอะไรก็แปลว่าเกิดแล้วก็ดับไปในเรื่องนั้นก็คิดรู้เรื่องอื่น เรื่องอื่นนั้นก็เกิดดับไปในเรื่องอื่นนั้นก็เป็นไปอยู่ดังนี้รวดเร็วมากเหมือนอย่างกังขันดังที่กล่าวแล้วและกังขันนั้นเมื่อหมนุนหมุนตั้งตน้นไปจากไหน ก็หมุนกลับมาสู่ที่ตั้งตนนั้นแล้วก็หมุนไปใหม่แล้วก็กลับมาสู่ที่ตั้งตนนั้นแต่ว่าหมุนเร็วมากจนมองไม่เห็นซี่ของจังหันจนทำให้จับได้ยากว่าตั้งตนที่ไหน แต่อันที่จริงนั่นเมื่อหมุนไปก็จะต้องหมุนกลับมาสู่ที่ตั้งตนทุกคราวไปเพราะฉะนั้นตอนนี้แหละที่เรียกว่าเกิดดับก็คือว่าเมื่อหมุนออกไปจากที่ตั้งตนเมื่อร่วมก็เรียกว่าเกิดเมื่อหมุนกลับมาสู่ที่ตั้งตนใหม่ ก็เรียกว่าดับและเริ่มจากจุดตั้งต้นไปอีกก็เรียกว่าเกิดกลับมาสู่ที่ตั้งต้นใหม่ก็เรียกว่าดับเพราะฉะนั้นตัวจังหันที่หมุนนั้นจึงมีเกิดดับเกิดดับอยู่ดังนี้แต่ว่าเพราะหมุนไปเร็วมากมองไม่เห็นว่าตั้งต้นที่ไหน เหมือนอย่างว่าไม่มีการตั้งตน้นเรื่องเป็นอันเดียวกันไปตลอดอันนี้แหละที่ทำให้ไม่เห็นเกิดดับทั้งยังมีตันหาอุปาทานเข้ามาบางังเพราะว่าเมื่อตันหาอุปาทานมีอยู่ ตัวเราก็มีเพราะฉะนั้นจึงรู้สึกเหมือนอย่างว่าตัวเรานี่ตั้งอยู่ไม่มีเกิดดับเหมือนอย่างว่ากังหันนั่นหมุนอยู่ตลอดเป็นอันเดียวกันไม่มี การเกิดดับของของจังหันในรอบหนึ่งรอบหนึ่งเป็นตัวจังหันที่หมุนอยู่ตลอดเวลาเป็นอันเดียวกันเป็นตลอดเวลาก็จังหันนั่นแหละขึ้นนามารูปแต่ว่ามีสมมติบัญญัติว่ากังหันก็เป็นตัวกังหันขึ้นมา เมื่อเป็นตัวกังหันขึ้นมาและหมุนเร็วจึงมองไม่เห็นซี่ของกังหันไม่เห็นการไปของจังหันจากจุดเริ่มต้นและกลับมาสู่จุดเดิมซึ่งเป็นเกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลานั้นเหมือนอย่างว่าหมุนอยู่เป็นอันเดียวกันตลอดเวลา นามารูปอันนี้ก็เช่นเดียวกันเมื่อมีสมมติบัญญัติว่าเป็นตัวเราเป็นหญิงเป็นชายเป็นบุคคล น, นั้นเป็นบุคคล น, นี้เป็นต้นเป็นสมมติบัญญัติแล้วก็มีตัณหาอุปาทานมาประกอบอีกก็เลยเป็นตัวเราที่ดังอยู่บัง ปัญญาที่จะเกิดขึ้นเห็นเกิดดับได้แม้ว่าจะได้ฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสสอนไว้ให้กำหนดให้รู้จักขันอาญตนิพานหรือนามรูปให้เห็นเกิดดับของนามรูป ในการที่จะปฏิบัติให้เห็นได้ก็ยากในเมื่อจิตนี้ยังหมุนเป็นกังหันอยู่มองไม่เห็นว่าอะไรเป็นนามอะไรเป็นรูปรู้แตวว่าเป็นตัวเราอยู่ในเรื่องนั้นเรื่องนี้เรา ชอบอย่างนี้สิ่งนี้ทังอย่างนี้สิ่งนี้หรือวนหลงอย่างนี้สิ่งนี้เหล่านี้เป็นตนหรือเพลิดเพลินยินดีติดอยู่เหล่านี้ก็เป็นกิเลสขึ้นมาเพราะฉะนั้น ในเมื่อจิตนี้ยังมุนเป็นกังหันไปในอารมณ์ทั้งหลายอยู่ดังกล่าวจึงเป็นการปฏิบัติยากที่จะให้เห็นเกิดดับให้เห็นนามรูปให้เห็นเกิดดับได้ในขั้นนี้ผู้ปฏิบัติพึงทําความเข้าใจไว้ก่อนว่าจะ เห็นเกิดดับได้ก็ต้องเห็นสิ่งที่เกิดดับก่อนสิ่งที่เกิดดับนั้นคือนามรูปซึ่งหมายรวมไปถึงขันอาจตนาธาตุเป็นต้นที่รวมเรียกในคำว่าวิปัสนาภพมคือเป็นภิของวิปัสนา เป็นอารมณ์ของมิปัสสนาต้องเห็นนามารูปก่อนแล้วเมื่อเห็นนามารูปจึงจะเห็นเกิดดับของนามารูปได้คราวนี้ในเมื่อกิตนี้ยังหมุนเป็นกลางหันอยู่การที่จะให้เห็นนามารูปก็เป็นการยากเหมือนอย่างว่า ในเมื่อกังหันยังหมุนเตี้วอยู่จะให้มองเห็นสี่ของกังหันอย่างชัดเจนว่ากังหันมีกี่ซ่ดมของกังหันอยู่ที่ไหนสี่ของกังหันอยู่ที่ไหนไม่สามารถจะมองเห็นได้ เมื่อกังหันยังหมุนเตี้วอยู่จิตก็เหมือนกันเมื่อจิตยังหมุนเป็นกังหันอยู่ในอารมณ์ทั้งหลายการที่จะให้ใหเห็นนามารุ่มนั้นเป็นไปไม่ได้หรือเป็นไปยากเพราะฉะนั้นจึงต้องมีสมาธิ และจะมีสมาธิก็ต้องมีศีลเป็นภาพพื้นและจะต้องมีสรณะคือที่พึ่งอันได้แก่พระพุทธประธรรมประสงค์เป็นผู้นำทางเพราะฉะนั้นสรณะคม การถึงสารณะจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องถึงสารณะคือพระพุทธเจ้าประธรรมประสงค์นี้ให้ถึงใจให้ถึงจิตให้ถึงตัวธาตุ และเมื่อเป็นดังนี้สาระก็จะเป็นสรณะคือเป็นที่พึ่งเป็นเครื่องนำนำจิตใจนี้ไปสู่คลองธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน ไปสู่ศีลสู่สมาธิสู่ปัญญาแปลว่านำจิตใจนี้ให้ไปสู่ธรรมปฏิบัติทั้งปวงสู่ผลของธรรมปฏิบัติทั้งปวง เป็นอันห้ามจิตนี้ไม่ให้ไปสู่กระแสของตันหาแต่ให้ไปสู่กระแสของธรรมเพราะฉะนั้นภูที่ถึงสระว่ามุตทางสนางัชามิขัมภระเจ้ า, าถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรนะคือที่พึ่งทำมังสนางัชามิขัมภรเจ้ า, าถึงพระธรรมเป็นสรนะคือที่พึ่งสร้งางคังสนางัชามิขัมภรเจ้ า, าถึงประสงค์เป็นสรนะคือที่พึ่ง จะต้องถึงให้มีจิตใจดำเนินสู่กระแสธรรมห้ามไม่ให้ดำเนินไปสู่กระแสตัณหาและเมื่อจิตใจนี้เดินไปสู่กระแสธรรมก็แปลว่า ได้มีพระพุทธเจ้าประธรรมประสงค์เป็นสระคืนที่พึ่งเดินไปในทางของพระพุทธเจ้าประธรรมประสงค์ไม่เดินไปนอกทางของพระพุทธเจ้าประธรรมประสงค์เพราะฉะนั้นสระนั้นนี่จึงเป็นสิ่งสำคัญมากเป็นภูนาเป็นเครื่องนำไปสู่กระแสธรรมของผู้ปฏิบัติธรรม และเมื่อได้มีสณธดังกล่าวมานี้ก็เป็นอันว่าได้เข้าสู่ศีลศีลเป็นข้อๆก็เช่นศีลห้าเป็นต้นศีลที่ไม่มีข้อก็คือศีลที่เป็นความปกติของจิตจิตที่เป็นปกติ ไม่ถูกอกุศลละูลราคะหรือโลภโทสะโมหะหรือตัณหาดึงเอาไปให้ก่อเจตนาจงใจประกอบบาปอากุศลทุจริตทั้งหลายทางกายทางวาจาทางใจมีใจ สงบเป็นปกติดังนี้เป็นตัวศีลถึงมีข้อเดียวไม่ว่าใครจะถือศีลห้าศีล 8. ปดศีลส0บศีล 227. รอยเจแต่เมื่อมีจิตเป็นปกติสงบดังกล่าวก็เป็นอันวา่าได้เข้าถึงตัวศีล อย่างเดียวกันอันนี้แหละเป็นพื้นฐานของกุศลธรรมทั้งหลายมีสมาธิเป็นต้นและเมื่อเป็นอย่างนี้ก็ต้องปฏิบัติทรรมจิตให้เป็นสมาธิให้ตั้งมั่นโดยที่มีสติกำหนดอยู่ใน กรรมฐานในส่วนที่เป็นสมถกรรมฐานนั้นก็เป็นการทำจิตให้สงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวไม่ฟุ้งซ่านแต่ว่ายังไม่เกิดปัญญาเป็นการขัดทำจิตให้สงบ ไม่ให้หมุนติ้วเป็นกังขันดังที่กล่าวแล้วเพราะเมื่อจิตหัดทำสมาธิได้ความสงบย่อมจะหยุดหมุนติ้วเป็นกังขันประวัติตั้งอยู่ในอารมณ์อันเดียวเหมือนอย่างการหยุดกังขันม่ให้หมุนและเมื่อเป็นดังนี้ จึงเปลี่ยนอารมณ์ของสมาธิแค่สมถาะาดังกล่าวนั้นมาเป็นสมาธิในวิปัสสนากรรมฐานคือกรรมฐานที่เพื่อวิปัสสนารู้แจ้งแห็งจริง โดยมาทำสมาธิคือกําหนดดูอยู่ในวิปัสนาภูมิภูมิของวิปัสนาดังกล่าวนั้นก็คือขันอาจตนาธาตุหรือว่ายกเอามาในที่นี้ก็นามารูปดังที่กล่าวมาโดยลำดับมากําหนดดูนามดูรูปดังนี้แหละ จึงจะเห็นวิปัสนาผมเห็นนามเห็นรูปวันนี้นามนีรูปเหมือนอย่างว่าเมื่อหยุดจังหันมาให้หมุนได้ก็ดูตัวจังหันนั้นจึงจะมองเห็นซี่ของจังหันว่ามีกี่ซี่เห็นดุมของกังหันเมื่อหยุดที่ไหนเห็นกรอบ หรือกลมของกังหันบากรมอย่างนั้นแปลว่าเห็นกังหันได้ทั้งตัวทั้งหมดในเมื่อกังหันหยุดหมุนจิตก็เหมือนกันจิตจะต้องหยุดหมุนคือจิตจะต้องได้สมาธิและเมื่อจิตได้สมาธิมีสมาธินั่นแหละ จึงมากำหนดดูอยู่ซึ่งนา ม, มารูปอันบังเกิดขึ้นที่จิตอันเป็นปัจจุบันจึงจะเห็นตัวนา ม, มารูปเห็นความคิดความรู้อยู่ในปัจจุบันเห็นสิ่งที่รู้ที่คิดอยู่ในปัจจุบันความคิดความรู้ คืออาการที่จิตน้อกคอาคิดออกรูปนี่เป็นนามสิ่งที่จิตคิดจิตรู้รูปเรื่องที่จิตคิดจิตรู้ต่างๆนี่เป็นรูปคราวนี้เมื่อจิตเป็นสมาธิดังกล่าวไม่มุนดังกล่าวนั่น ก็มีปัญหาว่าแล้วจะเห็นนามารูปที่ไหนก็ตอบได้ว่าก็เห็นนามารูปที่เป็นปัจจุบันธรรมนั่นแหละเป็นปัจจุบันธรรมนี้กำลังคิดกำลังนึกก็รู้ความคิดความนึกรู้ความรู้และรู้สิ่งที่ หรือรูปเรื่องที่จิตรู้จิตคิดจิตนึกอยู่ในปัจจุบันและถ้ากำหนดอารมณ์ของสมาธิอะไรเช่นว่ากำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกกำลังมีลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นกรรมฐานอยู่ ก็ดูนามารูปลงไปที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี้ว่าความรู้ความคิดถึงลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่เป็นตัวนามรูปเรื่องของลมหายใจเข้าลมลมหายใจออกนี่เป็นรูปก็ดูนามดูรูปลงไปที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกที่กําหนดนั่นแหละ ก็เป็นอันว่าได้กำหนดนา ม, มารูปในปัจจุบันธรรมที่บังเกิดขึ้นในสมาธินั่นเองไม่ต้องไปหาที่ไหนแล้วก็อยู่ในขอบเขต ท, ที่เห็นได้ง่ายเหมือนอย่างดูจังหันที่หยุดมุนจะมองเห็นกงเห็นซี่ดุมอนในของจังหันได้หมด รู้ว่าเห็นส่วนสัตว์ของจังหันได้หมดจังหันจะเป็นรูปอะไรก็ตามก็มองเห็นได้หมดะฉะนั้นเมื่อมาดูสิ่งที่ปรากฏอยู่ปัจจุบันความรู้ความคิดสิ่งที่รู้ที่คิดอยู่ที่เป็นปัจจุบันธรรมนี้เป็นนามเป็นรูป ดังกล่าวก็จะเห็นนามเห็นรูปชัดแล้ไม่เห็นชัดก็จะมองเห็นความหมุนไปของนามารูปที่เป็นเรียกว่าเป็นกังหันเหมือนกันแต่ว่าหมุนช้าเข้าจะมองเห็นเกิดเห็นดับอยู่ในอารมณ์ทั้งหลายที่เป็นปัจจุบันธรรมอันเป็นความเห็นเกิดดับชัดเจนขึ้นเพราะฉะนั้น จึงต้องมีสมาธิถ้าไม่มีสมาธิแล้วจะทําวิปัสนาได้ยากเพราะจิตจะหมุนเติ้วเป็นจังขันอยู่จะให้มองเห็นอารมณ์ของวิปัสนาหรือวิปัสนาภูมินั้นก็เป็นไปไม่ได้จะต้องทําจิตให้หยุดหมุนเป็นสมาธิเสียก่อนงั่นแหละแลกกำหนดลงไปจึงจะเห็นนามเห็นรูป เวเมื่อเห็นนามเห็นรูปจึงจะเห็นเกิดเห็นดับอันเป็นมีปัสจนาญาติเพราะฉะนั้นข้อปฏิบัติเหล่านี้จึงเป็นข้อสําคัญจะต้องมีสาระจะต้องมีศีลจะต้องมีสมาธิแล้วจึงจะได้ปัญญาอันเป็นมีปัจจนาญาติต่อจากนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทําความสงบสืบต่อไป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 จะแสดงพระพุทธคุณบดว่าพระกวาในความหมายว่าพระภูมิการไปคือตัณหาความดิ้นรนเทวัญยากในภพทั้งหลายอันคายเสียแล้ว ละเสียแล้วความของพระพุทธคุณบทนี้ได้แสดงมาแล้วในความหมายนี้ครัางหนึ่งแต่ยังไม่หมดกระแสธรรมะ อันเกี่ยวเนื่องอยู่เพราะฉะนั้นจึงแสดงเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งในวันนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงละพบชาติ ไม่เกิดในภพชาติใหม่พระองค์ได้ทรงเป็นผูหักกิเลสดับกิเลสหักใจดับใจได้ ดังที่ได้แสดงมาแล้วเพราะฉะนั้นจึงไม่ทรงถือพบชาติใหม่ทรงเป็นผู้สิ้นพบสิ้นชาติแล้วตั้งแต่เมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้ ระโธทยานทรงละอาสวะกิเลสได้ทั้งสิ้นมีอวิชชาเป็นต้นเพราะฉะนั้นจึงไม่มีพบชาติเหลืออยู่ ทรงอาศัยวิบากขันคือขันอันได้แก่นามารูปอันเป็นที่ตั้งแห่งสมมติบัญญตัติว่าอัตภาพอันนี้ทรงบำเพ็ญพุทธกิจ ประกาศพระพุทธศาสนาจนกระทั่งดับขันปรินิพพานก็คือทรงดับวิบากขันอันนี้ซึ่งวิบากขันอันนี้ก็มีทั้งกายและใจ เรียกวันนามารูปโดยย่อแต่เมื่อจําแนกออกก็เป็นกองรูปกองเวทนากองสัญญากองสังขารกองวิญญาณและวิญญาณ น, นี้เองซึ่ง เมื่อยังมีอาสวะกิเลสก็ยังเป็นปุปาฐานวิญญาณวิญญาณเป็นที่ยึดถือและวิญญาณที่เป็นวิญญาณขันในขันห้านี้ ก็เป็นอาการของวิญญาณที่เป็นวิญญาณธาตุคือธาตุรู้ซึ่งมีอยู่ประกอบกับธาตุส่วนที่ไม่มีความรู้ ดังที่ได้เคยแสดงอ้างแล้วว่ามีพระพุทธภาศิทธัดไว้ว่าบุรุษชายหญิงทั้งปวงนี้มีธาตุหกคือปฐวีธาตุธาตุดิน อาโปรดถัดน้ำ